1 103. น3้านาคันตับพวนันว่าด้วยสถานที่ไม่ควรไปในวันอุโบสถข้อ181่สิกษุดทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุไปสู่อาวาสที่ไม่มีพิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายพิสษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอวาตที่มีภิกษุไปสู่อวาตหรือสถานที่มิใช่อวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตที่ไม่มีภิกษุ เว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบอสถนั้นไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุ ไปสู่ว่ า, ราหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิ res, ภกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุท <driveway S 2> ั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่มิใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่ว่าที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่มิใช่อาวาวตซึ่งมีภิกษุ<า>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 มีภิกษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส เว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากสถานที่มีใช่อาวาตซึ่งมีภิษุไปสู่อาวาตที่มีภิษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกพิษุผู้เป็นนานาสังวาสเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีพิษุ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 ภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเว้นแต่ไปกับสมเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุ